บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการที่เดีกกล่าวมาแล้วโดยลำดับนั้นท่านแสดงว่าแต่ละองค์เป็นเพียงเครื่องประกอบตัวมรรคที่แท้จริงคือสมายญาณนะ ที่แปลว่าความรู้ชอบซึ่งเกิดขึ้นแก่พระริยบุคคลทุกชั้นด้วยการรู้อริยสัจสตามความเป็นจริงแต่ปริมาณของความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมากบ้างน้อยบ้างเป็นเหตุให้แบ่งพระริยบุคคลออกไปเป็นสีประเภทด้วยกันหลังจากเป็นสัมมา ญาณะแล้วพ้นทาวรที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลเรียกว่าสัมมาวิมุตต์คือจิตที่หลุดพ้นในทางที่ชอบซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นได้ว่าความหลุดพ้นทางจิตนั้นมีอยู่สองทางคือเป็นสัมมาวิมุตต์หลุดพ้นโดยชอบตามหลักการและวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กับมิจฉาวิมุตต์คือความหลุดพ้นในทางที่ไม่ชอบพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีวิมุตต์เป็นแกนคือเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดถ้าหากจะเปรียบพระพุทธศาสนาเหมือนกับต้นไม้ศีลก็เหมือนกับเปลือกหรือกระพี้ของต้นไม้สมาธิก็เปรียบเหมือนเนื้อของต้นไม้วิมุตต ก็เปรียบเหมือนแก่นของต้นไม้ต้นไม้จะดำรงอยู่ได้ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สำคัญดังที่ได้กราบมแล้วจะขาดไปส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้และในขณะเดียวกันแต่ละส่วนของต้นไม้ก็อํานวยประโยชน์ตามฐานะของตนได้ข้อปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือแต่และช่วงที่ทรงแสดงเอาไว้อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่เหตุข้อนี้ได้ทรงอุปมาพระธรรมวินัยเอาไว้โดยเปรียบเทียบกับมหาสมุทรในข้อหนึ่งว่าแม่น้ำที่ไหลามาจากน้าที่ไหลามาจากแม่น้ำทั้งหลายนั้นจะไปรวมลงที่มหาสมุทร เมื่อถึงมหาสมุทรแล้วจะไม่รถอันเดียวคือรถเข็มชฉินใดข้อปฏิบัติต่างๆในพระธรรมีนัยนี้ที่ทรงแสดงไว้นั้นในที่สุดจะมีจุดรวมอันเดียวกันคือเป็นวิมุตติได้แก่จิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ความหลุดพ้นนั้นมีได้ทั้งส่วนที่เป็นโลกิยะคือชาวบ้านทั่วๆไปและส่วนที่เป็นโลกุตระ คือความหลุดพน้นที่ถาวรจอย่างแท้จริงในข้อนี้ถ้าได้จำแนกแสดงประเภทของจิตที่หลุดพน้นเอาไว้เป็นห้าชั้นด้วยกันชั้นแรกเรียกว่าตทาทังกวิมุตคือหลุดพน้นด้วยองค์นั้นๆหรือในกรณีนั้นๆข้อนี้เป็นหลักที่สามัญชนทั่วไปสามารถสัมผัสได้ ในชีวิตประจำวันของตนขอเพียงแต่ให้มองเห็นโทษในสิ่งที่เป็นโทษมองเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณเท่านั้นสามารถที่จะทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นโทษได้พระบุตมีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมะไว้กลุ่มหนึ่งเรียกว่าสิ่งที่ขัดเกลามาความว่าเมื่อบุคคลสร้างธรรมะ เหล่านั้นให้บังเกิดขึ้นธรรมะจะเทียบจะทำหน้าที่ขัดเกลว์สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเหมือนกับแสงสว่างที่บุคคลจิตขึ้นแล้วทำหน้าที่กระจัดความมืดให้หายไปเชนนั้นอย่างในกรณีของการปฏิบัติธรรมะส่วนที่เรียกว่าเป็นเบญจธรรมซึ่งเป็นหลักพื้นฐานทางใจของคนทั่วไปนั้น เมื่อเมตตาบังเกิดขึ้นก็ขจัดความอาฆาตพยาบาทความโกรธความหมุดหงิดตรงไปได้เมื่อสมาชีวะบังเกิดขึ้นการเลี้ยงชีวิตในทางผิดก็ถูกขจัดไปเมื่อการสัรวมระวังในกามบังเกิดขึ้นการละเมิดศีลข้อที่สามก็ถูกขจัดไป เมื่อการพูดคำสัตว์คำจริงคำไปร่อ่อนหวานความสมานสามา ก, กีและคำที่มีประโยชน์คำเท็จคำหยาบคำส่อเสียดคำเลวไหลก็จะถูกกระจัดไปเมื่อบุคคลมีสติเป็นหลักใจอยู่ความพลังพลาดความเผลอเรอในลักษณะต่างๆก็จะไม่บังเกิดขึ้นซึ่งก็หมายความว่าด้วยองค์ธรรมเหล่านั้น จะทําให้จิตของบุคคลหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสที่ทรงกันข้ามกับธรรมะเหล่านั้นความหลุดพ้นในลักษณะนี้<ส>เพียงแต่อาศัยหลักที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการคือการพิจารณาโดยเหตุโดยผลยังมีกฎมีเกณฑ์เพื่อให้เกิดความสวัสดีแก่ตนและบุคคลอื่นได้เท่านั้น บุคคลสามารถจะทำจิตของตนให้หลุดพ้นจากกำนาของกิเลสเหล่านั้นได้ข้อนี้ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมะย่อมจะสังเกตสภาพจิตของตนได้เป็นอย่างดีว่ามีการต่อสู้ระหว่างกุศลกับอกุศลตลอดเวลาบางครั้งกุศลชนะสร้างความส ง, งบความเยือกเจนให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจ บางครั้งอกุศลมีกำลังแรงได้เหตุปัจจัยจากภายนอกบ้างภายในบ้างท่วมทับจิตใจของตนก็ให้เกิดความเร่าร้อนความกระสับกระส่ายขึ้นภายในจิตแต่ด้านในขณะใดก็ตามที่กุศลปรากฏขึ้นภายในจิตในขณะนั้นชื่อว่าบุคคลได้สัมผัสวิมุตติคือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเหล่านั้น อย่างในกรณีที่ท่านทั้งหลายซึ่งมาประชุมกันณสถานที่นี้ถ้าลองทบทวนย้อนหลังไปก็จะพบว่ามีการต่อสู้กันระหว่างความคิดสองอย่างคือมากับไม่มาแต่เมื่อท่านทั้งหลายสามารถมาได้ก็ชื่อว่าได้สัมผัสวิมุตข้อนี้ในชั้นหนึ่งแม้ในการประพฤติปฏิบัติที่ผ่านขั้นตอนไปก็ชื่อว่า ได้วิมุตต์ในจุด น, น, นั้นเช่นเดียวกันวิมุตต์เหล่านี้ที่ทรงแสดงไว้โดยทั่วทั่วไปเช่นว่าชนะความชั่วด้วยความดีชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธชนะคนพูดเหลอะแหละด้วยคําสา์คําจริงชนะความสนี่ด้วยการให้เป็นต้นเหล่านี้เป็นวิมุตต์ทางนั้นเป็นความหลุดพ้นในชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความจริงที่ว่าธรรมะซึ่งทรงแสดงไว้นั้นแม้จุดที่สุดยอดคือวิมุตติคนทั่วไปสามารถสัมผัสได้หลักธรรมที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นจึงเป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคล น, นั่นเองให้สูงขึ้นอยู่ในจุดที่ใช้งานได้จนถึงกับ เข้าถึงความสมบูรณ์เต็มที่ในเรื่องนั้นนั้นข้อที่สองเรียกว่าวิคัมพะณะวิมุตเป็นความหลุดพ้นที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตอย่างที่พระพุทธปฏิบัติกันอยู่ความหลุดพ้นเหล่านี้เป็นผลมาจากสมาธิที่อาศัยอารมณ์ หลักการปฏิบัติทางสมถกรรมฐานเป็นประการสำคัญเมื่อจิตใจของบุคคลสงบเป็นสมาธิในชั้นต่างๆผู้กิเลสประเภทที่เกิดขึ้นกลุ่มรุมใจซึ่งเรียกวณิวร์ก็จะสงบไปโดยลำดับจนในที่สุดก็จะสงบไปอย่างเต็มที่เมื่อผ่านเข้าไปในขั้น ของข้อปฏิบัติที่เรียกวิชาญอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนที่ว่าด้วยนิวรณความสงบในชั้นนี้จึงเป็นส่วนของจิตศิขาโดยตรงมีปัญญาพอประมาณเท่านั้นบุคคลก็สามารถสร้างความสงบให้บังเกิดขึ้นได้ความสงบประการต่อไปเรียกว่า สมุดเฉดตวิมุตตคือจิตที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสจ่างเด็ดขาดว่ากันตามความเป็นจริงข้อนี้โดยเนื้อหาแล้วเป็นโลกุตระแต่โดยนัยะหนึ่งนั้นทรงแสดงไว้แม้ในส่วนที่เป็นโลกิยะคือหมายความว่าชาวบ้านทั่วไปก็อาจสัมผัสวิมุตตข้อนี้ได้ในระดับหนึ่ง อย่างในกรณีที่บุคคลได้พิจารณาเห็นโทษของสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นโทษต่างๆแล้วตัดใจไม่ข้องแวะกับสิ่งเหล่านั้นเช่นไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดในการมตลอดชีวิตไม่ฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเป็นต้นแต่และข้อนั้น ท่านเรียกในชั้นของศีลว่าสมุดเฉตวิรัตคืองดเว้นด้วยการตัดขาดไปเลยสิ่งเหล่านั้นจะไม่กำเริบขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้ น, น, นถ้าหากว่าจิตใจมีความเข้มแข็งมากพอลักษณะของสมุดเฉตวิมุตติหรือความตัดขาดลงไปนั้นบุคคลจะสวจสอบสภาพจิตของตนได้ว่า แม้มีสิ่งเหล่านั้นมากระตุน้นมาเร่งเราจิตใจจะมีความสงบไม่ฟูขึ้นไม่ฟุบลงไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงๆอย่างในยามที่ปกติเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ออกจะปัดจัดตังคือเห็นกันได้เฉพาะตัวยกตัวอย่างเช่นว่าคนซึ่งเคยสูบบุหรี่มาจนติดเป็นนิสัย ต่อมาพิจารณาเห็นโทษของบุรีได้แล้วก็งดเว้นไม่สู่บุรีอีกต่อไปเมื่อเขาตัดใจได้เด็ดขาดแล้วแม้จะเห็นบุรียี่ข้อต่างๆหรือคนมานั่งสู่บุรีในที่ใกล้ๆก็จะไม่มีความรู้สึกอยากสูบแต่ในขณะเดียวกันจิตใจจะเปลี่ยนเป็นความกรุณาคือสงสารบุคคลเหล่านั้นที่ตก เป็นาธาตุของสิ่งเจ็บติดบัณฑรสุขภาพกายของตนให้อ่อนเปรี้ยลงทำลายฐานะทางเศรษฐกิจของตนให้เสื่อมเสียไปยเป็นตน้นลักษณะความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระริยบุคคลทั้งหลายผู้ตัดกิเลสได้ขาดเช่นเดียวกันท่านแสดงว่าพระริยบุคคลโดยเฉพาะที่เป็นพระอรหันต์นั้น เมื่อท่านตัดกิเลสได้ขาดแล้วท่านมีแต่กรุณาสงสารคนอื่นสัตว์อื่นต้องการที่จะช่วยคนและสัตว์เหล่านั้นซึงกำลังถูกเพลิงกิเลสเผาลนจิตใจยอยู่ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความกรุณาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเราจึงสวดสรรเสริญกันว่ากรุณามหันโน คือเป็นความกรุณาท่วมทนดูท่วงมหนรนบที่ให้ความชุ่มชื้นความสะอาดผลประโยชน์ด้านต่างๆแก่ประชาสัตว์ทั้งหลายแต่เรื่องเหล่านี้บุคคลอาจจะสังเกตได้ด้วยการตัดขาดอะไรเช่ก่อนหรือว่าแม้แต่การตัดขาดจากการเล่นตุ๊ ก, กตาสมัยเป็นเด็ก ต่อมาจะเห็นตุก๊กตาตัวโตว ๆ, ๆ, ๆยังไงก็ตามสวยงามยังไงก็ตามก็ไม่อยากได้แล้วไม่ยินดีที่จะเล่นนี่ก็เป็นผลที่บุคคลเห็นได้ว่าเวลาจิตหลุดพ้นไปแล้วนั้นจะมีลักษณะอย่างนี้แต่พวกสมุดเฉตวิมุตติที่แปลว่าตัดขาดนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ของมรรคที่สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนเพียงไร อย่างพระริยบุคคลระดับโสดาบันท่านก็สมุดเฉดในส่วนของท่านคือตัดขาดในส่วนของท่าน3ประการและสิ่งที่ตัดขาดไปแล้วนั้นจะไม่กําเริบอีกไม่ว่าจะไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามสิ่งที่พระโสดาบันตัดขาดไปนั้นคือความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขา แบ่งเป็นพักเป็นพวกเป็นเราเป็นขขาความลังเลสงสัยในคุณของพระตนตรยัยความมีอยู่ของพระตนตรยัยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามตรัยจิกขาเป็นต้นท่านตัดได้ขาดและเมื่อท่านตัดได้ขาดแล้วยกตัวอย่างว่าเช่นหมดความสงสัยในพระสงค์เป็นพระภิกษุทําอะไร ให้ผิดแปลกแวกแนวออกไปยังไงก็ตามศรัทธาที่มั่นคงอยู่ในพระสงฆ์นั้นจะไม่แกว่งไปแต่ประกาศได้เพราะศรัทธาเหล่านั้นเป็นอจลศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเนื่องจากสามารถแยกแยะระหว่างลูกชาวบ้านกับพระสงฆ์ได้และไม่ถือมั่นในศีพลพรนข้อวัดปฏิบัติ ซึ่งเคยเชื่อถือกันมาโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาในเชิงเหตุเชิงผลว่าตามๆกันไปเป็นตนท่านตัดขาดแล้วเมื่อตัดขาดไปแล้วไปอยู่ในสภาพแปิดล้อมมีลักษณะกระตุ้นเร่งรา้าวยังไงก็ตามก็ไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของอารมณ์เหลานั้นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นโลกาณวัตรคือไม่ขวางโลก ไม่ใช่ว่าตนไม่เชื่อถือแล้วไปขัดขวางไปตำหนิตีเตียงเขานอกจากจะเป็นการชี้แจงในเชิงเหตุเชิงผลให้เข้าใจความไม่หวั่นไหวด้วยการตัดขาดในลักษณะนี้อาจจะเปรียบเหมือนกับเพชรที่เกิดในหินประปนกันอยู่ในหินแต่เมื่อบุคคล น, นามาจิรนยัยแยกออกมาจากหินแล้ว แม้จะเอาไปวางปนไว้กับหินกับทรายก็ไม่สามารถที่จะถูกหินถูกทรายดูดซึมเข้าไปได้อีกหรือเกาะติดได้อีกจิตใจของพระอริยะบุคคลชนิดที่ตัดกิเลสขาดก็มีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากว่าในชั้นที่สูงขึ้นไปการตัดกิเลสขาดก็ประณีตขึ้นไปพระสกิตาคาซึ่งเป็นอริยบุคคลระดับสองนั้น กะบันเทาส่วนที่เป็นราคะโทสะโมหะให้เบาลงแต่ท่านก็ไม่บอกว่าเบาลงขนาดไหนเพราะว่าราคะโทสะโมหะนั้นเบามาตั้งแต่เป็นพระโสดาบันแล้วพอไปถึงพระนาคาก็ละกิเลสเพิ่มขึ้นอีกได้สองอย่างเรียกว่ากามรมาคะคือความกำหนัดในวัตถุกรรมด้วยอำนาจแห่งกิเลสกาไอตัววัตถุกรรมนั้นไม่มีความสำคัญอะไร เพราะว่าเป็นตัวกลางๆเฉยๆถ้าหากว่าไม่มีกิเลสกรรมอยู่ภายในใจแล้วก็จะไม่เกิดความใคร่ความยินดีแต่ประการใดอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่ากิเลสกรรมที่ผ่านมาทางตาเป็นต้นของพระยะองพระอริยบุคคล น, นั้นเหมือนกับแมลงวันหยดไข่ในหินแทนที่จะกระจายออกมาเป็นตัวหนอนก็ต้องตายไปหมดสิน้น สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าตกไปจากจิตของท่านเหล่านั้นคือไม่เกาะติดในจิตของท่านเปรียบเหมือนหยาดน้ำที่ตกลงไปบนใบบัวแต่ก็ไม่สามารถที่จะซึมเข้าไปในใบบัวได้ในที่สุดก็ต้องกลิ้งกลับออกมาเช่นั้นเรื่องสมุจเฉตตวิมุตในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลก็สามารถที่จะสัมผัสได้เช่นเดียวกัน คือตัดขาดไปเสียบางสิ่งบางอย่างตลอดถึงอารมณ์ที่เก็บกดเอาไว้ภายในจิตใจก็พยายามตัดอารมณ์เหล่านั้นให้ขาดไปแม้ในชั้นของการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือส่วนที่เป็นสมถกรรมฐานนั้นอารมณ์อดีตอนาคตเป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายมากเป็นพิเศษ พระถ้าหากว่าบุคคลไม่สามารถตัดอารมณ์เหล่านี้ออกไปได้การทําความส ง, งบใจก็จะไม่ดําเนินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้แต่ว่าโดยความหมายที่สมบูรณ์แล้วเป็นเรื่องของพระริยบุคคลโดยเฉพาะข้อต่อไปเรียกว่าปฏิปัสสถิวิมุตติคือการหลุดพ้นอย่างส ง, งบเป็นการส ง, งบโดยสิ้นเชิง สิ่งที่สงบลงไปนั้นคือเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เป็นหลักใหญ่เมื่อกิเลสกับทุกข์สงบไปอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงชื่อว่าสงบไปเช่นเดียวกันวิมุตต์ส่วนนี้ก็เช่นเดียวกันในชั้นหนึ่งนั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้คือหมายความว่าการละการตัดอะไรไปแล้ว อย่าให้จิตปเป็นเอี่ยวนึกอย่าให้จิตไปข่อยคว้าสิ่งเหล่านั้นเข้ามาอีกยกตัวอย่างเช่นว่าให้เขาไปแล้วก็อย่าให้เกิดความเสียดายขึ้นมาในสิ่งที่ให้แล้วหรืออดกลั้นทนทานต่ออารมณ์ต่างๆที่คนมาก้าวร้าวมาล่วงเกินได้แล้วแต่อย่าให้ถึงกับใจไปเก็บกดความโกรธความไม่พอใจเอาไว้ อย่างที่ทรงสดแสดงธรรมะเป็นปัจจัยหนุนกันว่าเมื่ออุดทนแล้วก็ต้องสงบสงเสงี่ยมไว้คือต้องสงบอาการกริยาท่าทางตลอดถึงจิตใจได้ไม่เก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้หรือไม่สดแสดงความไม่เหมาะไม่ควรออกมาทางกายกับทางวิจารณัติปัสสติบิมุตินั้นเป็นความสงบที่เกิดขึ้น แกพระรยะบุคคลในสมัยพุทธกาลมีคนเป็นมากที่ไม่เชื่อว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านจะสงบระงับดั่งอย่างแท้จริงบางคนก็มีการกลั่นแกล้งใส่ร้ายยิ่งหนักขึ้นไปกว่านั้นมีพราหมณ์คนหนึ่งไม่เชื่อว่าพระสารีบุตรนั้นท่านไม่โกรธทั้งๆ ท, ที่มีคนอื่นบอกแกก็ไม่เชื่อ เมื่อภาษารีบุตรเดินไปบินธบาติแกถือไม้ย่องตามไปข้างหลังไปตีหัวพระเทระปรากฏว่าพระเทระเดินไปเฉยๆไม่หันกลับมาชาวบ้านเห็นการกระทําของพราหมณ์ก็ไม่พอใจจะมารุนประชาทันพระเทระจึงหันกลับมาพอสอบถามท่านก็ให้เหตุผลว่าพราหมณ์นี้ตีโยมหรือว่าตีอตมาเขาก็บอกว่าตีพระคุณเจ้า ก็ต่มาไม่ว่าอะไรและโยมจะไปว่าอะไรเขานี่เป็นการแสดงเห็นว่าเป็นความส ง, งบที่เรียกว่าปฏิปัสสธิจริงๆถึงแม้โดนกระแทกกระทันอย่างแรงก็ตามแต่ว่าอารมณ์เหล่านั้นจะตกไปไม่อาจจะตั้งอยู่ได้ทรงอุปมาว่ามเมล็ดพันธุ์ผักกาดไม่อาจจะตั้งอยู่บนปลายเข็มได้เช่นใดอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้น แกพระเรียบุคคลก็ไม่อาจที่จะตั้งอยู่ภายในจิตใจของท่านได้เช่นเดียวกันฉะนนั้นวิมุตติข้อที่ห้าเรียกว่านิสรณะวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการออกไปข้อนี้ผู้ศึกษาธรรมะจะเห็นได้ว่าวิมุตติที่จำแนกออกมาเป็นสามอย่างนั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องกัน คล้ายๆกับคำว่าโสดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลที่จริงเป็นอาการที่ติดต่อกันไปแต่ว่าเป็นคนเลยช่วงเนื่องจากการแสดงธรรมะในทางศาสนาพอมาถึงชั้นที่ประนีตออกไปนั้นท่านใช้คำว่าคณิกะวาทะคือพูดกันเป็นขณะขณะไประหว่างมักกับผลนั้น ก็เหมือนมักก็เหมือนกับการเปิดสวิตไฟผลก็คือไฟสว่างที่เป็นอาการต่อเนื่องกันตัวการจริงๆของวิมุตินั้นคือสมุทเฉตวิมุตที่เป็นตัวตัวเหตุคือตัดกิเลสขาดออกไปเมื่อตัดกิเลสขาดออกไปแล้วท่านก็สงบระ ง, งับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ได้อย่างถาวรจิตใจของท่านก็ออกไปจากเรื่องเหล่านั้น ถึงแม้ว่าจะเกี่ยวข้องอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายเช่นเดียวกับชาวโลกก็ตามคือเรื่องอารมณ์ทั้งหลายนั้นระหว่างพระริย์กับสามัญชนไม่มีอะไรแตกต่างกันสามัญชนเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรส ถ, ถูกต้องโผฏฐพะจึกนึกถึงอารมณ์ชั้นใดพระยะบุคคลก็เห็นรูปฟังเสียงโดยทํานองเดียวกันเช่นเดียวกันชนนั้นแต่เนื่องจากว่าจิตใจของท่านได้ตัดกิเลส ข, ขาดไปแล้ว รูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้นจึงไม่สามารถทำความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นแก่จิตใจของกองทันได้ผิดกับสามัญชนซึ่งไม่สามารถตัดกิเลสในเรื่องนั้นๆเพราะงั้นจึงแกว่งไปตามอำนาจของอารมอย่างที่ทรงแสดงไว้ในกรณีของลาบว่าโลกคือสัตวโลกนั้นฟูขึ้นเพราะลาบฟุบลงเพราะราบ คือหมายความว่ามีดีใจก็เสียใจไม่ดีใจก็เสียใจไม่เสียใจก็ดีใจก็แกว่งไประหว่างกิเลสตัวนี้แต่พระริยาบุคคล น, นั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นลนักษณะการออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นโดยปริยายหนึ่งคือนนยะเหน่งนั้นถึงแม้จะเป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์โดยตรง จะว่าสามมณินชนทั่วไปสามารถที่จะสัมผัสได้โดยนัยหนึ่งเช่นเดียวกันคือการดึงกายดึงจิตของตนออกจากอารมณ์ที่ก่อให้เกิดกำนัดเกิดขัดเคืองเกิดลุ่มหลงเกิดมัวเมาขึ้นมาเพราะอารมณ์แต่ละอย่างเหล่านั้นถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบในรูปวัตถุแล้วก็เหมือนกับบุคคลเอื้อมมือไป เพื่อจะหยิบสิ่งของถ้าไปไม่ใช่สิ่งของที่ตนต้องการหรือว่าถูกไฟข้าวหรือว่าถูกสิ่งที่สสกครกก็ต้องหดมือกลับเพื่อความสวัสดีแก่ตนเองเช่นใดจิตใจที่เป็นเหนี่ยวนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายที่มีลักษณะดังกล่าวก็เป็นเช่นเดียวกันเช่นนั้นคือเป็นไปเพื่อความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ตนก็ต้องดึงจิตมาจากอารมณ์หล่นั้นให้ออกไปจากอารมณ์หล่อนั้น หรือแม้แต่ประสบกับส่วนที่เป็นโล ก, กธรรมได้ทรงแสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างพระริยเจ้ากับสามั ญ, ญชนว่ามันแตกต่างกันในประเด็นที่ว่ารู้ทันหรือไม่รู้ทันพระริยเจ้านั้นท่านรู้ทันเพราะท่านมียานอยู่ภายในใจเวลาลาบยศสันเสริญสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกบังเกิดขึ้นแก่ท่านท่านก็รู้ว่าสิ่งนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่สิ่งนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาจึงไม่มียินดีแล้วไม่มียินไรเมื่อไม่มียินดีก็ต้องไม่มียินไรขอเพียงไม่มีสักอย่างอีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีแต่สำหรับปุถุชนซึ่งทรงใช้คำว่าปุถุชนผู้ไม่ได้เสดับธรรมของพระริยะเมื่อประสบกับโรกกระมเหล่านั้น ก็ไม่อาจที่จะทำใจให้ยอมรับว่าสิ่งนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะงั้นถ้าฝ่ายน่าปรารถนาเกิดขึ้นก็ดีใจฝ่ายไม่น่าปรารถนาเกิดขึ้นก็เสียใจจิตก็วิ่งอยู่ระหว่างดีใจกับเสียใจหาความสงบไม่ได้ไม่อาจที่จะวิมุตไปได้ดังนั้นจิตที่มีลักษณะเช่นนี้ จึงไม่ชื่อว่าออกไปจากอำนาจของอารมณ์และอำนาจของกิเลสทั้งหลายวิมุตตอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนานั้นเป็นชั้นชีวิตประจำวันซึ่งบุคคลสัมผัสได้ตลอดเวลาอยู่ข้อแรกในข้อที่สองเป็นผลจากการปฏิบัติทางสมาธิอีกสามข้อนั้นสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อดำเนินตามคุณธรรมของพระเรเจ้าทั้งหลายได้โดยในยะหนึ่งเมื่อบุคคลปฏิบัติได้เช่นนี้นอกจากจะชื่อว่าเป็นการถึงพระรัตนใจที่ถูกต้องแล้วความส ง, งบใจความเยือกเย็นใจความสว่างในทางจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นซึ่งผลเช่นนี้เป็นจุดมุ่งหมาย ของพระพุทธศาสนาแต่ผลจะเกิดขึ้นเช่นไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับเพศที่บุคคลได้ประกอบกระทำลงไปและผลเหล่านั้นจะถาวรหรือไม่ถาวรก็ขึ้นอยู่กับการกระทาของบุคคลนั้นเป็นประการสำคัญแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าเมื่อดำเนินไปตามปฏิปทาที่ทรงสดแสดงไว้ผลจะเกิดขึ้น แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสุดต่อไป